บทภาชณีนิสก e ี้ยปาจิตตีหกร้อยหกบาภที่เขาน้อมไว้แล้วภิกษุสําคัญว่าเขาน้อมไว้แล้วน้อมมาเพื่อตนต้องอบัตนิสกี้ยปาจิตตีทุกกฎราภที่เขาน้อมไว้แล้วภิกษุไม่แน่ใจน้อมมาเพื่อตนต้องอบัติทุกกฎลาภที่เขาน้อมไว้แล้วภิกษุสําคัญว่าเขาไม่ได้น้อมไว้น้อมมาเพื่อตนไม่ต้องอบัต ลาบที่เขาน้อมไว้เพื่อสงพิกษูน้อมมาเพื่อสงอื่นหรือเพื่อเจดีต้องอบัติทุกกฎลาบที่เขาน้อมไว้เพื่อเจดีพิกษูน้อมมาเพื่อเจดีอื่นเพื่อสงเพื่อคณะหรือเพื่อบุคคลต้องอบัตทุกกฎลาบที่เขาน้อมไว้เพื่อบุคคลพิกษูน้อมมาเพื่อบุคคลอื่นเพื่อสงเพื่อคณะหรือเพื่อเจดีต้องอบัติทุกกฎลาบที่เขาไม่ได้น้อมไว้พิกสุรสำคัญว่าเขาน้อมไว้ต้องอบัติทุกกฎ ลาบที่เขาไม่ได้น้อมไว้พิกสูไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎลาบที่เขาไม่ได้น้อมไว้พิกสูตรสำคัญว่าเขาไม่ได้น้อมไว้ไม่ต้องอบัต